บทที่8ดังนั้นที่นี่คือสวรรค์เราทุกคนจะได้ไปสู่สวรรค์เหมือนนายบิ๊กหรือหรือว่าถ้าเราทำความดีมีความตั้งใจดีไม่มีเจตนาทำร้ายใครเราจะได้ขึ้นสวรรค์จะมีดอกฮอลลี่ฮอกกับงานเลี้ยงน้ำชาพร้อมครอบครัวอบอุ่นรอท้าเราอยู่จริงหรือไม่แม้มีข้อพิสูจน์ ก็ยังมีช่องว่างให้เราเกิดความกังวลเกี่ยวกับชีวิตในโลกหน้าในบางเรื่องเสียงต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรบ้างก็เล่าอย่างคุ้มครือนคงต้องยกประโยชน์ให้กับคําถามของเบตตี้กรีนและการซักพอกของเธอเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดเท่าที่เป็นไปได้ข้อมูลเหล่านี้ได้รับรายงานสมบูรณ์เสมือนรายงานข่าวพระราชพิธีอภิเษกสมรส หรือการแข่งขันบอลโลกทำให้เราได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราไปถึงวันนั้นเราทิ้งเชดบัตเลอร์ผู้เสียชีวิตจากรถบรรทุกขับชนเขากำลังจับมือกับผู้นำทางสาวอยู่ในรถรางคุณจับมือฉันไว้หลับตาลงและพยายามอย่าคิดเรื่องใดเป็นพิเศษแค่ทำจิตของคุณให้ว่างเปล่า จะเกิดอะไรขึ้นกับเท็ดบัตเลอร์ผมทำตามที่เธอบอกรู้สึกว่ามันลำบากสักหน่อยเพราะผมไม่รู้ว่าต้องรอนานขนาดไหนกว่าเราจะได้ไปมันคล้ายว่าผมหมดสติไปเพราะพอรู้สึกตัวอีกครั้งผมกำลังนั่งอยู่ในอาร์มแชร์ตัวสวยตรงข้ามกับผู้หญิงคนนั้นในห้องนั่งเลนที่น่ารักน่ารักมากสวยมากๆมาก่มาลายดอกตรงหน้าตา่างมีพรมหนาหนุ่มปูพื้น รู้สึกถึงแสงแดดอบอุ่นสิ่งที่ผมคิดถึงคือพระอาทิตย์ที่กำลังสาแสงส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาทุกอย่างดูเอี่ยมอ่องหมดจดโต๊ะจัดวางไว้เป็นระเบียบรากับผมไปอยู่สถานที่ที่กำลังมีการจัดเลี้ยงน้ําชา ย, ยามบ่ายผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนกันนะฉันพาคุณมาที่นี่เออเอ่ย ตอนนี้คุณก็รู้ตัวว่าคุณอยู่ในห้องเล็กๆขอบคุณมากๆคุณช่างกรุณาเหลือเกินผมอยากรู้เหมือนกันว่าภรรยาผมจะคิดยังไงที่ผมนั่งอยู่ในบ้านของผู้หญิงแปลกหน้าอ๋อเธอหัวเราะตอนนี้คุณไม่ควรคิดอย่างนั้นเพราะนั่นห่างไกลจากคุณมากตอนนี้เราสามารถคุยกันได้อย่างเต็มที่จิบชาสักแก้วและฉันจะอธิบายเรื่องต่างๆให้คุณฟังเอง คุณใจดีจังเลยอ๋อเธอเอ่ยฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วอยู่ที่นี่มาเกือบศตรวรรษครับค่ะเธอพูดต่อและฉันอยู่กับแม่ของฉันเลิอครับผมกล่าวตอนนี้คุณแม่ของคุณอยู่ที่ไหนล่ะท่านออกไปข้างนอกท่านไปทํางานเหรอครับเธอหัวเราะฉันคิดว่าคุณคงเรียกมันว่างาน แต่มันไม่ใช่งานอย่างที่เรารู้จักแม่ของฉันเคยทำงานหนักตอนอยู่บนโลกเธอเคยล้างชามและทำอะไรหลายๆอย่างตอนนี้แม่ไปยังที่ที่แม่ต้องดูแลเด็กๆเพราะแม่เป็นคนรักเด็กเด็กเล็กๆที่ตายตั้งแต่เป็นทารกหรือตอนที่พวกเขายังเด็กมากแม่จะช่วยเลี้ยงพวกเขาดูแลพวกเขาแม่รักงานนี้เดี๋ยวแม่จะกลับมาแล้วเราก็จะได้ดื่มชากัน ผมคิดนั่นมันดูตลกดีผมสงสัยว่าผมจะรู้รสชาหรือเปล่าตอนผมไปหาภรรยาผมเจอพวกเขานั่งจิบชากันอยู่ผมอยากจิบชาสักถ้วยแต่ผมก็ยกถ้วยไม่ได้สำหรับครั้งนี้ผมก็คิดว่าผมคงไม่ได้จิบชาจะเป็นแน่โธ่คุณได้จิบชาแน่ๆเธอบอกเพราะคุณอยู่ในสภาวะบรรยากาศที่แตกต่างตอนนี้คุณอยู่ในธรรมชาติของคุณ ทุกอย่างรอบตัวคุณเป็นของปกติธรรมดาเป็นของจริงแค่คุณยื่นมือออกมาคุณจะได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆไม่เหมือนตอนที่คุณกลับไปหาภรรยาคราวนี้คุณจะได้ดื่มชาลิ้มรสรสชาติของมันก็เหมือนกับคุณตอนที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกนั่นแหละผมจิบชารสชาติชาก็เป็นอย่างที่เธอว่าไงคะไม่ดีเหรอดีสิครับผมตอบ รถ ด, ดีมากแต่ใครมันจะไปคิดล่ะครับผมอดหัวเราะไม่ได้คนบนโลกจะรู้บ้างไหมว่าเรากําลังจิบชาสบายอารมณ์กันอยู่ตรงนี้คนบนโลกไม่เข้าใจหรอเธออธิบายที่นี่ดูจากกระบวนการที่คุณมาสู่ที่นี่สถานะของคุณคุณได้พบสิ่งต่างๆที่คุณต้องการและแรกที่คุณมาถึงที่นี่คุณจะคิดว่ามันจำเป็นจะต้องมีนั่นมีนี่และ คุณก็จะได้ตามที่คุณต้องการหากมันเป็นเช่นนั้นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งคุณปรับตัวเองให้เข้ากับความจริงที่ว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ปกติฉันจะไม่ดื่มชาหรือทำอะไรแบบนี้หรอกแต่เพราะคุณเป็นแขกในบ้านของฉันและคุณยังไม่คุ้นเคยกับสิ่งต่างๆฉันจึงคิดว่าอย่างน้อยนี่มันคงช่วยคุณได้บ้างนั่นเป็นความคิดของคุณผมบอก คุณไม่น่าจะมายุ่งยากแบบนี้เลยอ๋อไม่หรอกค่ะเธอบอกไม่มีปัญหานี่เป็นส่วนหนึ่งของงานของฉันงานเหรอใช่ค่ะฉันต้องลงไปบนโลกเพื่อช่วยคนที่ยังติดพันอยู่บนโลกอย่างคุณคุณว่าอะไรนะติดพันอยู่กับโลกติดพันอยู่กับโลกเหรอใช่อย่างที่คุณเป็นไงคะคุณติดพันอยู่กับโลกเพราะ สภาวะจิตใจของคุณและความคิดของคุณคุณไม่สามารถจะปลดปล่อยตัวเองได้และนี่คืองานส่วนหนึ่งของฉันช่วยให้ผู้คนปลดปล่อยตัวเองจากโลกแห่งวัตถุฉันเดินทางขึ้นลงรถรางสายนั้นบ่อยครั้งกับคนมากมายเพราะเคยอยู่ในเมืองนั้นมาหลายปีฉันทำแค่นิดหน่อยแต่มีอีกหลายพันคนที่ทำอย่างนั้นและฉันก็เป็นหนึ่งในพวกนั้น เท็ดบัตเลอร์กำลังปรับตัวเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นๆที่เรานำเสนอเรื่องราวของเขาค้างไว้ระหว่างพวกเขาอยู่กับผู้นำทางหรือพวกเขาแค่รู้ว่าตัวเองตายแล้วรูเบิลบรู๊ยังมีสีหน้าตื่นตระหนกอยู่ริมแม่น้ำเขากำลังตกใจที่มองไม่เห็นเงาตัวเองที่อยู่ในน้ำผมกำลังนั่งอยู่เขาบอกข้างแม่น้ำสายนี้ ผมแปลกใจมากขึ้นเรื่อยๆผมสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทันใดนั้นผมก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมายืนอยู่ข้างๆผมมองดูไม่เห็นใครผมรู้ว่าต้องมีใครอยู่ตรงนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าได้ยินเสียงบอกออกมาว่ามากับฉันสิผมคิดผมจะไปกับคนที่มองไม่เห็นเขาได้ยังไงผมไม่รู้ว่าจะไปไหน และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครเสียงนั้นดังขึ้นสามครั้งมากับฉันหลับตาลงสิ่งต่อไปที่ผมรู้ก็คือผมไปอยู่ในอีกสถานที่หนึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่คล้ายห้องโถงแสดงคอนเสิรต์ตมีที่นั่งมีคนอยู่มากมายผมนั่งอยู่และได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะสื่อถึงความสงบเงียบราบรื่นไร้ซึ่งกังวลไม่มีห่วง มันทำให้ผมสบายใจขึ้นผมค่อยๆรับรู้ถึงภาพที่ปรากฏเป็นลักษณะเหมือนจอพานอรามาในระยะไกลการแสดงแสงสีที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสัพทสีกำลังเปลี่ยนจากสีอ่อนเป็นสีเข้มสดใสทั้งห้องแพรวไปด้วยแสงสีเหล่านี้ผมอยากพูดกับใครสักคนและผมกลัวว่าตัวเองจะเปล่งเสียงได้หรือเปล่าผมเริ่มจะหนักว่า มีใครสักคนที่อยู่ข้างกายกำลังพูดขึ้นมาคุณทำได้อย่า ก, กังวลเลยคุณทาได้ผมได้ยินตัวเองพูดออกมาว่าที่นี่ที่ไหนในทางกลับกันผมได้ยินเสียงพูดว่านี่คือที่ที่คุณถูกนำมาอยู่ในสภาพใหม่ที่นี่คลื่นเสียงของคุณจะเข้าไปในวิถีใหม่ของชีวิตที่นี่คือสถานที่ชำระ ผมตระหนักว่ามีบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคนรอบตัวผมสัมผัสได้ว่าพวกเขาก็กำลังเปลี่ยนไปแต่ผมยังอธิบายไม่ได้เหมือนกับมีประจุพลังงานบางอย่างกำลังเล่นผ่านตัวผมผมมีชีวิตชีวาทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีตัวตนมีน้าหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆมีคนสองคนขยับตัวลุกขึ้นเดินไปและเริ่มพูด เราตายไปล่วงลับและถูกนำมายังสถานที่แห่ง น, นี้แล้วได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ผมเห็นอย่างที่คนอื่นๆคงได้เห็นเหมือนกันมีการก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างคนที่ไม่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนหรืออย่างน้อยก็ไม่เคยมีตัวตนอะไรกลายมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้หญิงบางคนเดินไปหาผู้หญิงคนอื่นที่กำลังนั่งอยู่ผู้ชายก็เดินไปหาผู้ชาย ผมมารู้ภายหลังว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่มีหน้าที่แนะนําสมาชิกใหม่และช่วยคนที่เพิ่งมาถึงให้พวกเขาได้รับการอบรมเกี่ยวกับชีวิตใหม่ที่นี่หลังจากที่ผมได้พูดกับคนหลายคนผมถูกพาไปยังที่ที่ดูเหมือนเป็นสวนสาธารณะผมเห็นคนมากมายแต่งกายต่างๆกันเราเดินไปรอบๆบรับรู้ว่าคนอื่นๆมีร่างกายที่จับต้องได้เป็นร่างจริง ผมรับรู้ว่าร่างกายของผมทำงานประสานกับความคิดตัวเองจาได้ว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งและคุยกับใครสักคนซึ่งเป็นผู้ช่วยผมถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ผมจะวาดรูปต่อเขาบอกว่าได้สิถ้าคุณอยากเป็นจิตกรหรือนักด น, นตรีก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้นั่นเป็นหนทางเดียวในการดำเนินชีวิตในพบนี้มุ่งหน้าต่อไป ผมรู้สึกว่าถ้าเพียงผมสามารถบรรยายประสบการณ์ทั้งหมดนี้ในลักษณะที่สามารถท่งกลับมายังโลกได้นี่จะเป็นการช่วยเหลืออย่างใหญ่หลวงผมถามว่าเป็นไปได้ไหมพวกเขาบอกว่าดีมันเป็นไปได้แต่ยังไม่ถึงเวลาอันควรชายคนนั้นยิ้มพูดขึ้นว่าคนส่วนใหญ่เมื่อมาถึงที่นี่ใหม่ๆก็อยากเป็นอย่างนั้นพวกเขาอยากรีบกลับไปหาเพื่อนๆญาติๆของตน พวกเขาอยากบอกทุกคนว่าการล่วงลับจากโลกของคุณมาสู่โลกนี้ช่างวิเศษเพียงใดเป็นกระบวนการตามธรรมชาติไม่จำเป็นจะต้องกลัวลนลานในเรื่องของความตายอย่าห่วงอย่า ก, กังวลเวลานั้นย่อมมาถึงแน่นอนเมื่อคุณต้องกลับไปและทำกิจอะไรบางอย่างเวลานั้นมาถึงหลังจากที่รูเพิร์ตรู๊ต้องรอถึง42ปี การมาครั้งนี้ก็ให้เกิดหลักฐานหนึ่งเรื่องการก้าวสู่โลกหน้าบอกให้เรารู้ในเรื่องที่เราอยากรู้มีคนดังคนที่มีพรสวรรค์มากมายเข้าคิวพูดคุยกับเราโดยผ่านฟรินต์บูดและเบตตี้กรีนไม่ว่าจะเป็นออสการ์ไวมหาตมะคานทีและคอสโมโกดอลแลงซึ่งเป็นอาร์ติช OP แห่งแคนเทอร์เบรี แต่พวกเขามีคำแนะนำแก่เรามากมายเหลือเกินในเรื่องการใช้ชีวิตในโลกนี้ข้อมูลของพวกเขามีมากเกินไปในเรื่องกระบวนการละจากโลกนี้ไปสู่ที่นั่นรวมถึงเรื่องที่ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาทิ้งอะไรไว้คนที่ไม่มีโอกาสได้ร่ำเรียนอย่างจอร์ดฮอปกินซึ่งเรากล่าวถึงเขาค้างไว้ว่าเขาอยู่กับภรรยาของตัวเอง กำลังตื่นขึ้นในกระท่อมชนบทเขา ล, ลึกถึงความฝันที่เคยฝันไว้มันเหมือนกันไม่มีผิดเขาบอกมีสุนัขตัวเก่าของผมมันวิ่งพลานหางชี้โดดขึ้นโดดลงเยิงๆผมเปิดประตูเข้าไปเจอคนชุมนุมกันคิดว่าคงมีสักสิบคนหรือ ม, มากกว่านั้นผมรู้จักพวกเขาพี่ชายอีกคนของผมและพี่สาวญาติของผม ทุกคนอยู่ที่นั่นมีสีหน้ายินดีและต้อนรับผมทักทายผมทุกคนพากันมาพูดคุยกับผมมีเสียงสุนัขเห่านี่เป็นการต้อนรับกลับบ้านจริงๆพวกเขาดีกับผมมากๆนั่นทำให้รู้สึกปแปลกๆผมไม่คิดว่าพวกเขาจะมาดื่มชากันที่นี่พวกเขาบอกว่าใช่ทีแรกคุณอาจไม่ทันคิดแต่นี่ก็เป็นบางอย่างที่คุณชิน และเราอยากให้คุณรู้สึกเหมือนตอนที่อยู่ที่บ้านเพื่อคุณจะได้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามตอนนี้คุณสบายใจได้คุณมีโพสุนัขของคุณและพวกเราเราจะคอยมาหาคุณมาเยี่ยมคุณบ่อยๆทันใดนั้นผมก็เห็นตัวเองไม่ใช่อย่างที่เห็นในกระจกแต่เห็นตัวผมเองพูดคุยกับทุกคนมันแปลกมากผมไม่รู้จะพูดอะไรหรือทาอะไร พวกเขาบอกว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรแค่ผ่อนคลายสนุกและพักผ่อนให้หายช็อกหายช็อกจากความตายเออผมเอ่ยปากผมไม่เข้าใจทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นความจริงพวกคุณอยู่ที่นี่และพวกคุณก็เป็นคนที่ผมรักทุกคนเป็นทุกคนที่มีความหมายต่อชีวิตของผมทุกคนอยู่ที่นี่รอต้อนรับทาให้ผมมีความสุข แต่ผู้คนที่ยังอยู่บนโลกข้างล่างนั่นคุณคิดว่าพวกเขาควรรู้อะไรบ้างโดยเฉพาะพระวิชาใช่ผมไม่ใช่คนเคร่งศาสนาไม่ได้ไปโบสถเป็นประจำแต่เขาไม่รู้อะไรเลยเขาไม่ได้ทำให้คนทั่วไปสบายใจขึ้นนะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอ๋อพวกเขาบอกคุณอย่าไปตำหนิพระชลานั่นเลยเขาทำได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วคุณก็เห็นแล้วนี่ ว่าเขาไม่มีความสามารถในการรับรู้แล้วพวกเขาก็เริ่มบอกว่าคนบนโลกมีความเชื่อฝังหัวที่ค่อนข้างเหลวไหลความเชื่อที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรคนดีจะถูกพาขึ้นสวรรค์และพวกเขาก็จะกลับมาสู่โลกกลับมามีชีวิตในร่างมนุษย์อีกครั้งแน่นอนพวกเขาอธิบายมีคนอีกมากที่ยอมเปิดใจให้กว้างกว่านั้นพระวิชาหัวโบราณ แต่ตอนนี้ก็มีคนอีกหลายคนที่มือมุมมองกว้างไกลกว่าแต่ก่อนแต่น้อยเหลือเกินที่จะรู้เรื่องการสื่อสารกับชีวิตหลังความตายพวกเขายอมรับความจริงตรหนักว่ามีชีวิตหลังความตายแต่แน่นอนพวกเขายังไม่มีการสื่อสารกับชีวิตหลังความตายเท่าไหร่ตามความเป็นจริงจะมีพวกเราสักคนหรือสองคนไปร่วมกิจกรรมที่คนบนโลกเรียกว่าการชุมนุมทรง และเรามีการติดต่อกันรับสารสื่อสารแต่ก็มีคนบนโลกไม่กี่คนมีคนทรงไม่กี่คนที่คุณสามารถติดต่อเขาได้หรือทำกิจนี้ได้อย่างดีแต่สำหรับผู้ที่ยึดศาสนาเป็นบรรทัดฐานเหนียวแน่นพวกเขาหน้าสงสารที่ต้องปิดกั้นตัวเองไว้ไม่ให้ได้รับรู้ความจริงทั้งหมดสำหรับพวกเขาความเชื่อทางศาสนาคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว และก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกพวกเขาอยู่กับอดีตไม่รับรู้ถึงปัจจุบันและอนาคตพวกเขาบอกว่าไม่มีการเวลานั่นเป็นภาพลวงตาจากแต่ละเสียงเราก็ได้เรื่องราวของชีวิตหลังความตายต่างๆบิก์ได้พบแม่ของเขาฮอปกิน <Hop kin S 2> กับภรรยาของเขาคริชเชตกับเพื่อนคนหนึ่ง b u ตเลอร์กับบ o ู k s มีคนนำทางไปพบเพื่อ น, อนในเดือนสิงหาคมปี1966เด็กสาวสำเนียงสกอตคนหนึ่งชื่อแมรี่อีวานบอกแค่ว่าเธอหมดความรู้สึกไปและตื่นขึ้นมาในสถานที่ในอีกโลกหนึ่งฉันตื่นขึ้นและอยู่ในที่คล้ายๆโรงพยาบาลฉันคิดว่านี่มันคืออะไรกันก่อนหน้านี้ฉันอยู่ในบ้านของตัวเอง นอนสมอยู่กับเตียงตอนนั้นฉันมีพี่สาวคนนึงคอยดูแลเวลาที่ไม่สบายฉันจําได้ว่าตอนฉันตื่นขึ้นมามันเหมือนสถานบําบัดเหมือนโรงพยาบาลแต่มันดูดีมากสะอาดทุกอย่างสดชื่นอากาศดีไม่มีกลิ่นของโรงพยาบาลเลยสักนิดทุกคนรอบข้างท่าทางแข็งแรงเงียบสงบมีพระอาทิตย์ฉันคิดว่ามันคงเป็นพระอาทิตย์นะ าแสงผ่านหน้าต่างเข้ามามีรูปภาพแขวนอยู่บนฝาผนังฉันคิดว่านั่นมันแปลกจังแล้วผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางอ่อนโยนอ่อนหวานเดินเข้ามาหาฉันเธอรู้ไหมผู้หญิงคนนั้นทักเธอควรพักอีกสักครู่จนรู้สึกสบายดีเธอจะได้ออกไปและได้รู้จักสิ่งต่างๆคนที่เธอรู้จักจะมาหาเธอฉันคิดนี่มันแปลกมาก ฉันแน่ใจว่าตัวเองอยู่ที่บ้านบนเตียงของตัวเองแต่ตอนนี้ฉันกลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลงั้นฉันจะต้องหมดสติไปแล้วพวกเขาพาฉันมาที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นสักครู่ฉันเริ่มสังเกตว่ารอบตัวฉันมีจตะคนนอนอยู่มีหญิงสาวหน้าตาน่ารักคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงข้างๆเธอเป็นเด็กสาวผมทองเธอลุกขึ้นนั่งคุยแล้วให้ฉันดูของสองสาอย่างที่เธอมี นั่นคือตุ๊กตาหนังสือและข้าวของอื่นๆอยู่ที่นี่ไม่ดีหรือไงเธอเอ่ยถามฉันมีความสุขจังมันก็ดีหรอกนะว่าแต่เธอเป็นอะไรไปเหรออ๋อฉันเป็นโรคคอตีบถ้าทางเธอไม่เหมือนคนเป็นโรคคอตีบเลยแม้แต่น้อยเธอสดใสเหมือนดอกเดซี่แก้มของเธอเปล่งปลัง่งเธอมาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วก็เพิ่งมาเธอตอบ แล้วตอนนี้ฉันก็มีความสุขมากแล้วฉันก็เห็นพี่สาวเดินตรงมาหาฉันเธอตายไปตั้งแต่เด็กนี่นาตอนนั้นฉันอายุสิบสองเราเรียกเธอว่าเคสฉันคิดว่านี่เป็นเรื่องประหลาดมากเคสไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะเคส ต, ตายไปแล้วแต่เคสมาอยู่ที่นี่เธอเดินมาหาฉันมีช่อดอกไม้ดอกใหญ่อยู่ในอ้อมแขนดอกไม้สด ไม่อยากน้ำค้างเกาะพลายและเธอเอ่ยขึ้นว่าฉันเอานี่มาให้เธอเราดีใจที่เธอมาเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะมาด้วยไม่ฉันบอกเป็นไปไม่ได้พี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพี่อยู่นี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่ตายไปแล้วอย่าเหลวไหลนะเธอบอกฉันตายไปแล้วนะ่ะใช่และเธอเองก็เหมือนกันพี่หมายความว่าไงว่าฉันตายไปแล้ว เธอตายไปแล้วนะสิเป็นไปไม่ได้ฉันขานฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันอยู่ในโรงพยาบาลแต่พี่ละ่ะเข้ามาได้ยังไงมีใครเห็นพี่ผ่านประตูเข้ามาหรือเปล่าพวกเขาเห็นฉันผ่านประตูเข้ามาและทุกคนที่นี่ก็ตายไปแล้วทั้งนั้นฉันไม่เข้าใจเด็กสาวร่างเล็กเฝ้ามองฉันจักเตียงข้างๆจริงเหรอเธอออกปากถาม นี่เราตายไปแล้วและผู้หญิงคนนี้เธอตายไปแล้วจริงๆใช่ไหมใช่เธอเป็นพี่สาวของฉันและเธอตายไปแล้วถ้าเธอตายไปแล้วงั้นเราก็ต้องตายแต่นี่เรายังมีชีวิตอยู่ฉันไม่เข้าใจเลยเรามารับเธอพี่สาวของฉันบอกพี่หมายความว่ายังไงมารับฉันพี่ต้องได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลในการรับตัวฉันออกไป แต่ฉันต้องบอกว่าความจริงแล้วฉันรู้สึกดีมากๆฉันไม่เคยรู้สึกดีอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตแน่นอนเธอสบายดีไม่มีอะไรผิดปกติเลิกคิดเรื่องนั้นเถอะเธอไม่ป่วยหรอกยังไงซะฉันจะไปหาผู้หญิงที่มีหน้าที่ดูแลเด็กคนนี้หลังจากนั้นสักพักพวกเขาก็ดำเนินการปรึกษาหารือกันและฉันก็ได้รับอนุญาตให้ลุกขึ้น เสื้อผ้าของฉันล่ะฉันถามพี่สาวหัวเราะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกเธอสวมมันอยู่พี่หมายความว่ายังไงว่าฉันสวมอยู่ฉันก้มลงมองดูตัวเองฉันแต่งตัวเรียบร้อยไม่เข้าใจเลยเพราะฉันจำได้ว่าตอนที่ตื่นขึ้นมาตัวเองสวมชุดอะไรอยู่และจำไม่ได้ว่าเอาเสื้อผ้าชุดไหนมาบ้างแต่นี่ฉันกำลังยืนอยู่ข้างเตียงสวมชุดยาวสวยงาม สีฟ้าอ่อนมีระบายแต่งลูกไม้น้อ ย, อยรอบคอฉันคิดว่าฉันไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เลยและผมของฉันก็หวีเรียบร้อยพี่สาวหัวเราะอธิบายว่าไม่เป็นไรหรอกฉันช่วยเธอแต่งตัวแต่เธอแค่ไม่รู้ฉันยังช่วยทำผมให้เธอด้วยเป็นความคิดของฉันเองพี่ทำอย่างนั้นได้ยังไงฉันถาม พี่คิดว่าฉันจะทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยความคิดเหมือนกันเหรอใช่เธอทําได้ใช้เวลาสักนิดพอให้ชินกับมันแล้วเธอจะรู้ว่าเธอสามารถทําในสิ่ง ต, งต่างๆที่เธอต้องการทําได้พี่คิดอย่างนั้นเหรอใช่เธอตอบก็มันเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราจะไปกันแล้วเราจะไปพบแม่กับคนอื่นๆ แต่เมื่อกี้พี่เพิ่งบอกว่าแม่กำลังมาอ๋อใช่แม่รออยู่ข้างล่างเราเดินลงไปตามบันไดที่สวยงามดูเหมือนที่นี่เป็นบันไดหินอ่อนคนท่าทางหน้าตาน่าสนใจเดินกันขวักไขว่ทุกคนแจ่มใสสุขภาพดีทุกอย่างในสถานที่นี้เหมือนกับว่าได้รับ ก, การดูแลมาอย่างดีเสียงนั้นหยุดไปเล่าต่อสิแมรี่ เบตตีกรีนขยันขยอเรื่องนี้น่าสนใจมากแมรี่อีวานเล่าต่อเราลงไปตามขั้นบันไดเหล่านี้จนถึงมุกบันไดที่มีทางขึ้นลงล้อมรอบสามด้านลงไปอีกไม่กี่ขั้นก็เป็นสวนสวยฉันไม่เคยไปยังสถานที่งดงามแบบนี้มาก่อนเพราะสถานภาพของฉันไม่เอื้ออํานวยให้ทําเช่นนี้แต่ฉันได้ฟังมาว่ามันไม่ต่างจากสถานที่ที่ได้เห็นในฝรั่งเศส ในสวนสวยๆที่มีน้ำพุพวยพุ่งมีคนมากมายเด็กๆวิ่งเล่นแล้วฉันก็คิดน่าแปลกคนพวกนี้ไม่มีใครมีท่าทางแปลกที่เลยในขณะที่ตัวฉันรู้สึกแปลกแยกออกมาฉันว่าคนพวกนี้คงอยู่ที่นี่กันมานานฉันพูดกับพี่สาวไม่หรอกเธอบอกพวกเขาเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่วัน ก็พอๆกับเธอนั่นแหละพวกเขาก็เพิ่งคุ้นเคยกับบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทุกๆอย่างพวกเขากําลังรอเพื่อนรอญาติของตัวเองเราเรียกสถานที่นี้ว่าสถานที่ต้อนรับที่นี่เป็นที่ที่ผู้คนพากันมาบ่อยมากแต่ไม่ได้มากันเสมอหรอกนะพวกเขาจะมาอยู่เพื่อปรับสภาพตัวเองให้ชินกับสถานที่ใหม่ชีวิตแบบใหม่และเพื่อนๆของพวกเขา จะทยอยกันมาพวกเขาก็จะจากสถานที่นี้ไปส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับภรรยาตัวเองหรือไม่ก็สามีของตัวเองบางทีก็อาจจะเป็นพ่อแม่ถ้าพวกเขาไม่ได้แต่งงานนะ่ะนะอย่างน้อยพวกเขาจะได้ไปอยู่กับคนที่รักมากที่สุดและรอให้มีคนที่รู้จักปรากฏตัวอย่างน้อยก็บางคนอย่างการมาของฉันในกรณีที่เธอเป็นเนี่ย เธออาจเรียกได้ว่านี่คือการมาปรากฏเพื่อทําความรู้จักคุณรู้ไหมไม่มีใครกลัวความตายเพราะมันช่างแสนวิเศษเป็นเรื่องตื่นเต้นที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราไม่มีความจำเป็นจะต้องกังวลใดๆในเรื่องของความตายเธอเริ่มพนันนาถึงชีวิตใหม่ของตนอย่างเลิศลอยเบ็ตตี้กลีนพาเธอกลับมาสู่จุดจบของเรื่องนี้ คุณพบคนที่รู้จักไหมแมรี่พบสิใช่ฉันไปอยู่กับแม่ของฉันและหลังจากนั้นฉันก็ได้ไปอยู่กับสามีตัวเอง